จากนี้ไปเป็นการแสดงปาธกถาธรรมเรื่องอย่าไปยึดติดให้เป็นทุกข์โดยพระธรรมโกสาจารยญญานันทภิขุวัฒนรบทานลังสริก ป, ปากเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่4พฤษภาคม2543ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้นะบัดนี้ อญาติโยมวันนี้ผิดปกติหน่อยแต่มันไม่ผิดปกติปกติมันก็ต้องฝนตกประวัติตอนนี้มันเริ่มหน้าฝนฝนทางตะวันตกเฉียงใต้ประกอบกับความกาาดอากาศทางตะวันออกเฉียงเหนือมาเจอกัน เจืองเสียงควาร้องก้องต้องคว้าแล้วก็มีฝนตกตกหนักแถวจันทบุรีน้ำท่วมเมืองจันแล้วละตอนนี้เขามาลงมาจากเดินเขาคิดจากกูดปีก่อนก็ท่วมปีนี้ก็จะท่วมอีกแต่ที่กรุงเทพเรานั่นก็ วันอาทิตย์ปกติฝนไม่ค่อยตกเพราะว่าญาติโยมมาตำุนกันแต่วันนี้ตกเป็นพิเศษทําไม่เกิดความชุม่มความเย็นก็ดีมากกันฝนตกเย็นสบายก่อนที่หิวของหนักๆมาที่นี่จะลังเลอยู่มาที่นี่นั่งไม่เยอะแยะข้าวัาในศาลานี้โรงเรียนนี้ เยืนลังเลอยู่ทำอะไระไปอีกแล้วไปไหนอ่ะที้ยวไปไหนอ่ะพระอยู่ที่นี่เดี๋ยวเียวกองหาพร ะ, ะบัดดี้ก็ถึงเวลากรงธรรมเปิดไฟสมัยที่เอกเปิดไฟให้มันสว่างหน่อยอยากยอมจะได้ สบายใจอ่าอะละอ่าเปิดไฟก็สว่างแล้ก็เป็นกลางวันก็แล้วกันสว่างสวยด้วยแสงไฟชีวิตมนุษย์เรามันก็อย่างนั้นเลยได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างปนกันไป จะเอาแต่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะธรรมชาติมันอันเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคือไม่คงที่ไม่ถาวรความไม่เที่ยงของดินป้าอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนแรงเดี๋ยวก็แห้งจนไม่มีน้ำน้จะทำนา บางเตี๋มก็ตกบาท่วมไปหมดลําบากแดดรอดแต่บางกบันํด ม, มืดแล้วตอนนี้เพราะว่าควายคว้าเดินเครื่องไม่ได้พวกชาวบ้านที่มันมุดทะลุดุดันไปขวางทางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตกแต่งเครื่องคไยเครื่องไยมันก็ดับน้ําก็ไม่ไหลผ่านเขื่อน ก็จะท่วมท่วมอ่างท่วมบ้านท่วมเมืองต่อไปพวกนั้นเขาไม่ถอยอย่างนลื่ออยู่อยากจะพบทัณนายกกลได้พบก็ไม่ได้เรื่องอะไรไปเจอกันก็จะขอนั่นขอนี่ไม่มีจะให้เขาไม่ต้องเจอกันดีกว่าประเทศอังกฤษพวกทรรมานบอท่านหินมันสไตรยหยุดงาน หยุดเจือตั้งสามเดือนมานาำเท็จเชอ่อผู้หญิงเป็นนายกก็เรียกว่าสตรีเหล็กมาเป็นคนเข้มแข็งแกไม่สนใจอยากสตรีก็สตร ไ, ไม่อยากทํบ้านก็ไม่ว่าแล้วเฉยๆพอครบสามเดือนมันก็ไปทํบ้านกันเองไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าหยุดการมันไม่มีอะไรจะกินะ จะหยืดจูได้เดืเอกินเดินก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีอาหารก็จะไม่มีขนมขนมปังไม่มีจะกินก็ต้องไปทำามาอ่าเลยก็เรียบร้อยไม่ยงพวกสัตว์ไเนี่ยมันแข่งข้อจะเอานั้นจะเอานี่เฮด้าดังใจอย่าไปเอาใจนักแต่เอาใจนักก็คนก็ใช้ลูกไม้นั่น โลกไม่ปิดตนดอนบ้าอะไรต่ออะไรบ้างไปตามเรื่องเป็นเรื่องของของลูกของบ้านเมืองไปที่ร้ายคือพวกมุสลิมที่เกาะฟิลิปปินส์จับพลังไปยี่สิบเอ็ดคนเขาส่งหมอเข้าไปตรวจอาการคนที่ถูกจับมันจับหมอไว้ด้วยจับหมอไว้ให้ออก ปลดนาฬิกาเอาไปแหวนเอาไปไปเครื่องอะไรพอปลอดแต่มันปลดมดตัวร่อนจอนมาเลยขาออกแล้วก็บอกค่อยไปหาเกินมาตายตัวเรียกตั้งเบินเบิรนเรียอเอาไกันต่อคนสามสี่คนไม่รู้จะเอาเงินที่ยใให้คนมันเลือดเข้าตา คิดแต่จะเอาท่าเดียวนี่เข้ามานี่โยมทีถ่ถือร่มมาดีมาดี้เก้าอี้ว่างพามาพายมมามาดีมาข้างหน้าเอาเอาขอมาวางนี่แล้วก็นั่งฟังสบายๆบายาานี่เข้อ่าวางไว้อหลรขอ ง, งข้างไหนก็ได้อร่องหุบเสียก่อนก็ได้แล้วเข้ามานั่งอ่วาเข้ามา ได้ก็าอีว่างตั้งหลายตัวาวางไวต้ตรงนั้นนั่งให้สบายยอมที่เยินเยินหลังเมจะเข้ามาได้ที่ก็เอาอีว่างเยอะเข้ามานั่งให้สบายแต่กวางอะไรกันต่อไปธรรมชาติของสิ่งต่างๆมันมันหมุนเวียน มันเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาโลกเรานี่หมุนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดถ้าหยุดมันก็ยุ่งเหมือนกันแต่นี่มันก็หมุนตามธรรมชาติหมุนรอบตัวเองยี่สิบสี่ชั่วโมงหมุนรอบตัวเองเรามีคลางวันคลางคืนแล้วก็เคลื่อนไปไปรอบดวงอาทิตย์ ปีน่ะสามรอยหกสิบห้าวันรอบดวงอาทิตย์แล้วก็อยู่อย่างนี้หมนไปหมนมาเราจงต้องสมมติว่าวันอาทิตย์วันจันทร์วันลังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์สมมติว่าเป็นเจ็ดวันเป็นสัปดาห์แล้วก็สมมติเป็นเดือนมกราคมปามีนาเบสาพฤศจิกาก็บนก็ไปได้ กลับมาสู่จุดเดิมอีกแล้วก็สมมติปีคุณชวดจะรูข้ขานต่อโรองเสงเมียบแหม่หว่ากันไปตามเรื่องเพื่อจะได้เป็นเครื่องพูดจากันได้นัดหมายกันได้ทําความเข้าใจกันได้เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นเรื่องของการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรถาวรที่เราสวนบนว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงววญญยนไม่เทียญญเท่ยงเนี่ยเป็นเรื่องสอนใจให้เราพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกขอย่างไร มันเป็นลัทธตาไม่มีเลื่องแท้อย่างไรจะได้พิจารณาให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง <c oughs> เรียกว่ารู้แจ้งในเรื่องนั้นเรายังไม่รู้แจ้งยังไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงมันเป็นทุกข์จริงจริงมันเป็นลัทธาเราไม่รู้เวลามันเตียนเราก็เป็นทุกข์เวลาได้ก็ดีใจ เวลาไม่ได้ก็เสียใจประสบอะไรเป็นที่พอใจก็ยินดีร่าเริง <c oughs> พบอะไรที่ไม่น่าชอบใจก็เป็นทุกข์แป็นรอดทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเราเข้าไปยึดไปติดในสิ่งนั้นยึดติดว่าเกี่ยวกับตัวเราหรือเอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น มันก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นในใจแต่ถ้าเราไม่เกี่ยวข้องมันก็เป็นไปตามเรื่องฝนตกเราไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่ถ้าเรามีเรื่องที่จะต้องไปจะต้องทำฝนตกมันขัดขวางเราก็เดือดร้อนแล้วเราจะไปห้ามแม่ฝนตกได้ไหมห้ามไม่ได้ ห้าแม้มีพายุได้ไหมก็ไม่ได้ห้าอะไรไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเรื่องตามราวแล้วเกิดอาการผิดปกติขึ้นในอุตตุคือเรื่องของธรรมชาติแต่เรารู้สึกตัวว่าอ๋อธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้เราก็เบาใจโปร่งใจ ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นจิตใจก็สบายไม่ต้องคิดอย่างนั้นคกออยากคิดได้เป็นทุกข์ไม่ว่าเรื่องอะไรแต่เราคิดเป็นทุกข์แสดงว่าเราไม่ฉลาดในสิ่งตา่ตางๆเราไม่เข้าใจเราจึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วมันได้อะไรมาได้ความรอดใจไม่สงบใจนอนก็ไม่สบายร่างก็ไม่สบาย ต่ออะไรก็ไม่สบายเป็นทุกข์ไปหมดนี่เพราะว่าเราคิดไม่เป็นแต่แต่เราคิดเป็นก็เออธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละไม่มีใครห้ามได้ฝนตกก็ต้องตกแดดออกก็ต้องแดบดบออกมีอะไรที่จะเกิดมันก็เกิดตามธรรมชาติมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้น เราจะไปห้ามไปกันอะไรมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นะเราคิดอย่างนั้นก็วางเฉยวางเฉยแล้วเรียกว่าสบายในทางที่ถูกถ้าไว้วางเฉยขึ้นบ้างลงบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างก็ปล่อยขึ้นปล่อยลงปล่อยเป้นทุกข์ปล่อยเดื อ, รอดร้อนคนเราอยู่ด้วยกันสามีปัญญานี่ยอยู่ด้วยกัน ปานกีก็กลุ่มอกกลุ้มใจเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าความคิดไม่เสมอไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าสามีปัญญาจะอยู่เย็นเป็นสุขนั้นต้องมีความเชื่อตรงกันมีศีลมีระเบียบตรงกันมีปัญญาเท่าเทียมกัน แล้วก็มีความเชียสละเหมือนกันมันสี่อย่งางก็อย่างเท่าเทียมกันก็จะเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่ถ้ามันไม่เหมือนกันปัญญาเชื่ออย่างหนึ่งสามีเชื่ออย่างหนึ่งปัญญามีความคิดอย่างหนึ่งสามีก็มีความคิดอย่างหนึ่งไม่ว่าในเรื่องอะไรคิดไม่ตรงกันทันไม่คลองก็อีกกวายนึง ไม่ได้คิดแต่มันถูกต้องเจนพันยาคิดไปอย่างหนึ่งสามีคิดไปอย่างหนึ่งไม่พยายามที่จะปรับความคิดแต่มันตรงในเข้าใจกันก็มีปัญหามีความทุกข์ความแทรอดใจแล้วก็ขัดกอกันบ่อยๆเพราะว่าแม่บ้านไปทำสิ่งที่พ่อบ้านไม่พอใจก็เลยเป็นทุกข์ แต่ถ้าเรามาคิดเสียใหม่คิดเสียใหม่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ว่าเนปกาติอย่างนั้นเป็นคนประหยัดอดอมเป็นนิสัยซสื้อของอะไรก็ซื้อของถูกถูกแล้วก็ดีแล้วไม่ไปซื้อของแผงถ้าจะไปดัดผมก็ไปดัดร้านที่มันถูก สามีไม่ชอบบอกวาทำไมไปดัดรานอย่างนั้นทำไมไปซื้อของอย่างนั้นเราไม่แจกคนยากคนจนทำไมไปซื้อของที่มันถูกอย่างนั้นกว่าจะซื้อของที่มีราคามากกว่านั้นปนกระปอนกับแปะหาเรื่องหาเรื่องอะไรกุ้ใจปัญญาเขาไม่สนใจแกทำอย่างไรแกก็ทำอยู่อย่างนั้นประดิษฐ์ใสมันเคย คือเคยว่าสมัยลำบากสมัยก่อนไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็มาร่ำรวยขึ้นมีบ้านเป็นของตัวมีที่ดินมีกิจการค้าขายเป็นของตัวไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครแล้วไม่ต้องเปทุกข์เพราะเรื่องหนี้สินไม่มีใครมาทวงหนี้ที่บันไดบ้านก็สบายใจแต่ยังไม่สบายใจ ไม่สบายใจตรงเรื่องว่าพัญญาเนี่ยไปได้เปลี่ยนแปลงอย่างจนอยู่ยังไม่แสดงความเป็นคนร่ํารวยซื้อของกินก็เื้อของถูกถู ก, ถก<อ>เป็นไปซื้อตามแม่ค้าที่นั่งขายกระดินอย่างเนี้ราคามันถูกสามีก็ไปเจ้าหาว่าไปซื้อของอย่างนั้น ควรจะไปซื้อตามห้างใหญ่ๆเด็ก็วางขายปลอดไปดีอะไรอย่างนั้นปัญญาเขาไม่ฟังเสียงซื้ออยู่อย่างนั้นเสื้อผ้าเขาเหมือนกันแต่ว่ายังมีอยู่ก็ไม่ตัดใหม่แต่เอาของเก่ามาเปลี่ยนแปลง ป, ปรับปรุงนิดหน่อยให้พอใช้ได้กับโรงเก่าก็ไม่ทิ้งเสื้อตัวเก่าก็ไม่ทิ้ง เอามาซ่อมมาแตกนุ่งไายก็ดีแล้วลความทิงก็ดีแล้วเกินไม่สิ้นเกลืองเงินต่อไม่พุ่งเฟอ้อไม่ปล่อยพุ่งซ่านก็ควรจะเรียกว่าออดีเหมือนกันประหยัดเงินทองแต่สามีไม่ได้คิดในแง่นั้นคิดว่าเราไปแช่คนยากคนจนแล้วเรามีสตางค์พอซื้อได้แล้ว บ้านเรือนก็เป็นของเราเองเราไม่ต้องไปยืมเัินใครมาใช้กว่จะใช้ตามสบายอาคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าคิดผิดคือความสบายของแม่บ้านมันเป็นอีกเรื่องนึงความสบายของสามีมันเป็นอีกเรื่องนึงสามีสบายเพราะว่าได้ใช้ได้ซื้อสิ่งที่ต้องการแล้วก็ซื้อของที่ อยากจัดซื้อในที่ที่ควรไปซื้อเพราะมีสตางค์แล้วแต่แม่บ้านทําตนเหมือนกับไปคนไม่มีสตางค์ไปซื้อของถูกๆไปร้านแต่งผมร้านถูกๆเครื่องสําอางก็ซื้อชนิติมันพอใช้ได้ไม่ไปซื้อตามที่เขาประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ไปต่อเรื่อง น, นั้นต่อเรื่อง น, นี้ แต่งตัวง่ายง่ายเรียบเรียบพ่อบ้านก็ไม่สบายใจคานเจียงพ่อบ้านก็อายุมากแล้วหกสิบป่าแล้วปัญญาก็หกสิบป่าแล้วต่านคู่แต่กว่าเป็นคู่กัดกันมาหลายปีแล้วเรว่าอยู่กันโดยไม่พอใจกันมาตั้งหลายปีอธิฐาไม่เปลี่ยนนิสัยก็เป็นทุกข์เรื่อยไป แล้วการหาเรื่องให้เป็นทุกข์น่มันดีหรือไม่เราคิดดูหาเรื่องให้เป็นทุกข์คิดแบบเป็นทุกข์ทำอะไรให้เป็นทุกข์ในบันดีหรือไม่พระพุทธเจ้าที่ออกบวชนั้นออกบวชเพื่อหาอะไรเพื่อหาทางดับทุกข์อยู่ในวังนี่หาไม่ได้ต้องออกไปอยู่ในป่าเป็นนักบวช กินง่ายงาย่อยู่ง่ายง่ายต้องฝ้าเข่าเก่าข า, ข า, ขาดขาดที่เก็บมาจากความขยะมนฝอยนอนใต้ต้นไม้นอนบนดินบนสายอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ศึกษาค้นฟ้าจากธรรมชาติที่ได้พบกันเพราะธรรมชาติเนี่ยมันสอนคนทำให้เราได้เข้าใจเรื่องธรรมชาติถูกต้อง เราองค์ก็ไปคน้นไปศึกษาเพื่อหาทางแก้ทุกข์ของชาวโลกหรือหายาสำหรับแก้ปัญหาเีวิตของชาวโลกทั้งหลายจนก้นพบพอก้นพบก็เรียกว่าเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสคิดเป็นไปเป็นทุกข์ คิดไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์พูดเป็นก็ไปเป็นทุกข์พูดไม่เป็นก็เป็นทุกข์ทำอะไรไม่ถูกต้องก็เป็นทุกข์แต่ทำอะไรถูกต้องก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรแบนอย่างนั้นเราอุตส่าห์ไปคิดไปก้นไปแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มันไม่เป็นทุกข์แล้วเราติดเป็นพุทธบริษัท เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าถ้าสิ่งแวดล้อมภายในบ้านมันทําให้เราเป็นทุกข์ก็แสดงว่าเราไม่ได้คิดแก้ไขสิ่งเหล่านั้นหรือว่าเราเองคิดไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์ก็ไม่คิดแก้ความคิดไม่แก้การพูดไม่แก่การกระทําไม่แก้ความเห็นที่มันเป็นทุกข์ ให้เป็นความสุขความสบายไม่เก็บไม่คิดแก้พอไม่คิดแก้มันก็ไม่สบายใหญ่มีความทุกข์และความทุกข์เกิดจากตัวเราเองเพราะเราคิดไม่เป็นแล้วเราจะไปปังคับอีกคลหนึ่งให้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้มันไม่ได้เต็ดสายเขาไม่เปลี่ยนแล้วเขาเคยมาอย่างนั้นเคยกินอย่างนั้นเคยทําอย่างนั้น มันก็ว่าคนบ้านนอกกินข้าวกับมือเปิบกินมาอยู่บ้านหลังใหญ่ไม่นคยคว้าเป็นน้ำประปาใชา้แต่พอตื่นหมดกินข้าวก็ต้องกาลังเปิบอยู่คนที่นั่งดูอยู่ก็กำกาญบอกว่าอะไรมาอยู่ในบ้านหลังใหญ่แล้วอยู่ในที่เจริญแล้วทำไมไม่มพัฒนาให้เจริญเสียบาง ก็เขากินไม่อร่อยกินกับช้อนกับซอบเนี่ยมันไม่อร่อยเบอร์เปิบดีกว่าว่านั้นเห็นโทรทัศน์ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์เขกินข้าวเขาเปิบเบอร์ลุกลุเบอรสายเปลือยลยเลยกินอร่อยขอนฟิลิปปินส์ยังเปิบข้าวด้วยเบอร์กันอยู่มากประธานาธิบดีก็ยังเปิบข้าวด้วย คนลังกานี่ก็เหมือนกันเขาพูดฝรั่งเก่งมีความรู้อะไรวากกวา่าแต่พอบทกินข้าวก็เปิมกับเมือเลยใส่จานเปิมข้าราชการอ่ะเขาส่งอาหารให้เวลาเทีย่ยงเขาใส่จานจานเดียวแล้วก็มีถ้วยเล็กๆใส่ไปตรงทางเอาซุปใส่ไปแล้วก็มีปลามีปัก ใส่ไปในจานเอาผ้าขาวห่อเรียบร้อยนะแล้วเขียนชื่อคนเดินอาหารเขาไปเท่แจกตามโต๊ะตามต่างแจกตัวไปพอเวลาเที่ยงเขาหยุดงานเขาไม่ต้องไปพัตตากานไหนเขากินตรงนั้นเอ็นติดโต๊ะธรรมานเขาเปิดผ้าออกแล้วก็เอาน้ำซุปราดลงไปในข้าวเปิดกินจนหมด ล่างเมอสบายราคาเข้าไปแพงเพราะไม่หลายอย่างเขาเกินอย่างเวลาเขาเลี้ยงพระเขาก็เลี้ยงง่ายๆในบนพระมาที่บานสมมติมตว่าสิบยยงองค์ยี่สิบองแต่วาดจานใบใหญ่เท่านี้อร่อยข้าวใสไว้แล้วเป็นเป็นเป็นตุนตุนสำรองข้าวใสไว้แล้ว เอาายเสกก็ตักแกงใส่แกงปลาบ้างแกงผักบ้านแกงอะไรต่ออะไรส่วนมากไปแกงกะทิเพราะงคายมีมะพร้าวเยอะทากับข้าวเขามกกะทิปนด้วยทุกครั้งเอาช้อนเล็กๆตักใส่ตักใส่ตักใส่ใสใเรื่อยพร่างก็ฉันไปฉันด้วยเบอร์เบอันเราก็ใส่เรื่อยไป ทำอยู่อย่างนั้นพวกเราไปไปไปก็ไปเอาช้อนไปฉันพระาลังกาแกถามว่าคนไทยกินข้าวกับช้อนมาตั้งแต่เมื่อไร่ <c oughs> ก็ตอบว่าตั้งแต่คบกับฝรังนั้นแหละบอกว่าป้าลังกานี่ยคบกับฝรังสามรอยปีก็ยังใช้เบอร์เปิบอยู่เขาเตือนเราไม่ให้ใช้ช้อน ีหลังใบชาใบชาก็เปิบกินได้อร่อยดีไก่ยำไก่ยำแล้วใส่ปลาน้ำพริกสยกสยผักส่ปลาสา่ยไยำเปครับเรียบร้อยแต่ว่าคนไทยเปิบข้าวมีศิละปะเรียบร้อยแขกมันไม่เรียบร้อยแขกกินเนียเปิบข้าวไม่เป็นเออเปิบแล้วทว่าอ่าโยโ ย, โยนเขาไปอย่างนั้น พระพุทธเจ้าเจ้ามีว์วได้ข้อเสี ย, ยว่าสเสกียวัฒนไม่โยนคาข้าวข้าวปาไม่เลียมือไม่ทําเสียงชุบชุบชับชับไปดูแกกแล้วมันทําทุกอย่างพระพุทธเจ้าห้ามหมดไม่ให้ทําแขกมันทําอย่างนั้นไปกินข้าวปานใครต้องเจ้าปาดพอใจพอใจอร่อย ถ้ากินเรียบๆจะว่าน่าโย่ไม่อร่อยต้องชุบจับต่ยแล้วก็กินแล้วก็เลียข้าติดเือก็เลียพระเลียไปละภาพไปเลียเบอร์เขาเขากินอย่างเขาก็สบายของเขาเท้าพรหมทัตบาะพาราลรสิสีนี้ยังมีเท้าพรหมทัตในเรื่องนิทานเราจะเรียกว่า พระราชาผู้ครองเมืองคือว่าพรหมทัตเดี๋ยวนี้ก็เท้าพรหมทัตอะไรครองเมืองปารานตีท่านหญิงปูลไปไประจุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งลูกที่สารนานท่านพรหมทัตแก่ ก, ก็มาด้วยแต่เวลารับทานอาหารชวนให้รับทานอาหารแก่ไปออก แกบอกว่าทานไม่ได้ผิดระเบียบต้องไปทานที่บ้านที่บ้านก็ต้องไปทานในครัวต้องไปนั่งกัดสมาดลงกระเพื้กแล้วเอาข้าวใส่ใบตองข้าวใส่แกงใส่น้ำมันขีดนมนเปรี้ยวใส่ครทุกทุอร่อยอคิดอย่างนั้น แล้วจะมากินกับท่านเสียงพูดไปอยังไงกอนสวัยวหยเนี่ยเขาเลยไปกแกไปกินก่อแกไปกินที่ที่วังแกวังใหญ่โตแต่ว่าในวังนะ้นแกนั่งเปิดข้าวกับพื้นไป่มีต๊ไปม่ไปมีอะไรก็หลังคนหนึ่งมาอยู่รังกาบอกว่าวันนี้นายยกรัฐมนตรี เสนาลายกเกชิญไปรับทานอาหารเข <_ S 1> าก็ไปกลับมาแล้วบอกว่าเป็นยังไงกินข้าวของท่านนายกอร่อยไหมหอมไปไว้ตอกชายเมือเปิบไม่ไเคยก็หลังไม่เคยเปิบเก่กังแต่ก็ต้องกินเพราะนายกเกเขาเปิบไป S <S เขาอยู่กันได้เขาไม่ว่าอะไร เราก็ควรคิดว่าถ้าอีกคนหนึ่งมีความคิดอย่างนึงอีกคนหนึ่งมีความคิดอย่างนึงก็ปล่อยไปตามเรื่องอย่าไปยุ่งกับเขาเลยให้เขาคิดเขาทำไปอย่างนั้นอยู่กันด้วยความพออกพอใจมันก็ไม่ทุกข์แต่นี้เป็นทุกข์เพราะเราไม่พอใจไม่พอใจอะไรเป็นทุกข์ก็ควรจะเลือกไม่พอใจ พอไม่พอใจเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์ทำไปพอไม่พอใจทำใหมเปลี่ยนมาเป็นพอใจใช่ไหมแม่บ้านเป็นคนอย่างนั้นก็ปลอยแล้วก็ชอบอย่างนั้นปล่อยเขาอันนี้เรื่องเงินทองนี่เราก็ตั้งงบไว้เดือนหนึ่งแม่บ้านจะใช้อะไรบ้างหายไปก้อนหนึ่งสําหรับจับจ่ายใช้สอยก็ประหยัดอยู่ไปได้ใช้มากอะไรก็ห้ไป หายไปแล้วก็ถือว่าหายแล้วไม่ต้องเป็นกังวลวิตกว่าใชายมากชาน้อยเป็นของแม่บ้านแล้วเป็นอุปส่วนของเขาแล้วเราก็ปล่อยไปตามเรื่องไม่ไปเที้ยวเก้าวไก่ตาไปเที้ยวเก้าวไายมันก็ยุง่งมันก็หลังตาบัวหลตาบัวนนะ่ะแกยุง่งให้ก็ร่าจัดการและอยังตามไปดูว่ามึงใชาของคูรุ่งร คนอย่างเรือเท่าไหรเอาไปใช้อะไรบ้างตาราการบอกไม่ได้ใช้เก็บไว้เฉยๆไม่เชื่อไป เ, เชื่อราชการรัฐมนตรีจะไปทำความเข้าใจก็บอกไม่ต้องมามาไม่ต้องมาพูดอูไม่เชื่อออกแล้วกันทำไปถึงดื้ออย่างนั้นดวงตาพระดวงตาก็อย่างนั้นแต่คนชอบดื้อมาฟังไม่รู้แล้ว เขาจะไปอธิบายให้ความวราเกินนี้ทองนี้มันยังอยู่ไม่ได้เอาไปรวมกับอะไรที่ไหนแต่ไปเชื่อลูกศิษย์ไอ้ลูกศิษย์มันอยู่ใกล้อาจารย์เมื่อเป่าอาจารย์ทุกวันทุกวันจะเสียคนไหมเวลา <s> นี้ก็จักจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเอาของว่าประเกฑแล้วช่องดู จะดูว่าฉันหรือเปล่าแต่ว่าฉันก็สบายใจแรกสักคำหนึ่งสบายใจท่านฉันแล้วพระถึง้องฉันเ่น่นฉันนี่หน่อยเอา่าปนกันจนท่อสายเสียเพราวันปนกันมากเกินไปอย่าไปกังวลให้แล้วก็แล้วไปเราถวายแล้วก็แล้วไปท่านฉันหรือไม่ฉันเป็นเรื่องของท่าน แต่เราถวายแล้วก็หมดเรื่องไม่ต้องคิดไม่ต้องติดตามผลป่าเคลื่อนไหวไปดูว่าใช่หรือเปล่าฉันหรือเปล่าของที่ให้ต้องให้ชช่ของบางอย่างไม่ใช่ฉันได้เนี่ยแต่ว่าเฝื่อนไอ้ฉันฉันก็ไปแล้วมันก็ท้อเสียเพราะว่าของมันไม่ถูกกับธาตุตาล่างกายเราอย่าไปติดพันอย่างนัน หายแล้วแล้วไปบมเรื่องอย่าไปกําวลห่วงใหญ่อะไรเหมือนกานคนอยู่ในบ้านสองคนก็เหมือนกันสา ม, ามีปัญญาอยู่ในกันก็เอาเดือนนี้หายเต่านี่นะจ่ายไปตามใจจะไปซื้อตีไหนจะไปกินอะไรตามใจเองอุบส่วนนี้ไม่ต้องคำนวณสบายใจเพราะแยกกลไปแล้ว อย่างนี้ก็สบายใจไปต่อไปกลางบนลดวงใหญ่ความจริงควรดีใจที่แม่วักเป็นคนประหยัดอดออมไม่ฟูเฟือยไม่สรุยุรายแต่เราได้แม่ว่าที่สรุยส ร, ยร้อยเบรกไม่อยู่อ้ามล่อไม่อยู่ไปกันใหญ่อ้นีไม่ต้องติดตามลอเรรถมันไปแล้วดีแล้วปกติสบายใจ พ่อบ้านอยากเป็นทุกรเรื่องแม่บ้านก็ตามเรื่องตัดชอบอย่างนั้นสบายใจอย่างนั้นชอบกินอย่างนั้นผู้หญิงไทยชาวป้าตอนออกเสียงเด้ไปแต่งงานกับพรังแต่ชอบกินตาลาฝรังไม่ชอบฝรังมันทนเวลากินข้าวแม่ก็จ กินปลาล่าครุกปลารากินอร่อยนะว่าด่างน้่งมองน้ำกลิ่นกลิ่นมันไม่เข้าใจไม่เข้าตาเลยแต่ก็ไม่ว่าอะไรมันทนไดทน้ทนอยู่กันไปได้นี่ก็เรียกว่ามีน้ำอดน้ำทนก็อยู่ได้ไม่เดืรอน เ, เราจรึงต้องพึกความอดทน แม่พ่อบ้านคนหนึ่งอยู่ที่ปัตตลุงแกบอกว่าผมเนี่ยไม่ต้องไปฝึกความอดทนที่ไหนอยู่ในบ้านก็ได้ฝึกทุกวันถามว่าฝึกอย่างไรอ้แม่บ้านผมนะี่ยตีผมทุกวันไม่ใช่ตีเบาๆนะหอมไม้ฟืนตีตีสันหลังดีที่ไม่ตียวัวหัวไม่แตกตีโอ๊อโ อ, โอ ตีสอนทุกวันแกว่าผมต้องทนเขาตีผมก็เฉยไม่ว่าอะไรเขาตีเหนื่อยเขาก็ยหยุดเองแกแกทาอย่างนั้นจนพอนที่สุดแป๊บ้านไม่ตีแล้วสงสารเพราะแกนั่งให้ตีเฉยเฉยแกนั่งเฉยเอาตีไหมเลยก็นานๆเข้าก็เลิกตีไม่ว่าอะไรเฉยเฉย แล้วก็ไม่ไมดูไม่ว่าต่อไปสบายแกแกเล่าวไว้ฟังอย่างนั้นเป็นเป็นกำนันด้วยนะไม่ใช่คนธรรมดาเป็นกำนันแต่แม่บาทขี่โมโหตัวสูงพอโมโหขึ้นมาก็ยีอะไรก็ทุกเตะอะไรก็ทุกเปี่ยมปราดเลยแต่แกอดทนจนชนะแม่บาน อยู่กันได้นี่ลูกไม่เต้าหลายคนนี่เขาเรียกว่าตนได้อันนี้อะไรที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจเราก็ทนนึกว่าปกติเขาอย่างนั้นอย่าไปห้ามเขาก็าไม่ได้เขาอยู่กันมาตั้งสองคนก็แก่ด้วยกันตั้งคู่แล้วอยู่กันมาจนแก่นะีก่ก็เป็นคู่กัดกันมาตั้งหลายสิบปีแล้วพอแล้วยู่กันต่อไป ใจสบายแล้ว อ, อย่างนั้นใจก็สบายแต่ว่าถ้าให้ดีก็แม่บ้านก็เปลี่ยนชั้นว่าอาลมุปอารมวยให้สามีสบายใจพ่อบ้านก็อาลมุปอารวยให้พ่อสบายอันหน้าเข้าหากันคนคนญี่ปุ่นสองคนมาเจอกันคำนับคำนับค ำ, ำนับอยู่นั้นแหละสองคนคำนับคำนับแล้วคำนับอีก เขาไม่ไปโกรธกันไปทะเลาะคำนับกันแต่รถชนกันเนี่ยเขลงมาเต็นก็คำนบับอีกกว่าแรงลงมาจากรถก็คำนบับตำรวจไม่ต้องมายุ่งคำนับก็จนเหนื่อยแล้วก็ไปอีกไม่ต้องจัดการอะไรเขาให้อภัยกันไม่ตือโทษโกรธตอบเรื่องเล็กน้อยตากคนต่า ง, างไปซ่อมกันแล้วกัน แต่คนไทยบางทีรถชนกันนิดหน่อยโกรธกันจนยิงกันตายมันไม่จำเป็นจะต้องยิงแต่ชักปืนมายิงเพื่อปราตายไปมากไไม่รู้จักปรับตัวเองเราอยู่ที่ไหนปรับตัวในใจฝนตกเลยก็ออยังดนะีที่ไปตกชักชักชักชกไปก่อนไปกระทรวงเกษตรเออที่สาธิตกเกษตร กำลังฉันอาหารนะตกชักชๆ ก, ก, ก, กน้ำเจิงไปเลยตกมากแต่ที่นี่ไม่ได้ตกมากยังอุ้มอุ้มไว้ตอนบ่ายเทกันใหญ่เราก็ควรขอบใจธรรมชาติวันนี้ตกน้อยน้อยไม่ดูหูเสียงฝนแล้วก็ไม่ทาให้เปียกปอนแต่ก็ตกเหะสมควรก็ดีไป เพราะคนต้องการน้ําก็มีไม่ต้องการก็มีพวกต้องการน้ําคือพวกเจ้านาเจ้าไร่ต้องการให้ฝนตกพืชจะได้ชุ่มได้เย็นปีนี้ชุ่มเย็นไปทั่วทุกแห่งตอนไม้เขียวจะอบมพราะน้ําหล่อเลี้ยงดีฝนมากระบไม้ก็เยอะแยะปีนี้มันเป็นกันใหญ่ชุ่มชื้นตามให้ฝนมากระบไม้ดีจเจริญนอกครับ ก็เป็นประโยชน์เราคิดวิสองแง่ไม่ว่าอะไรแ้ดีก็มีแ่เสียก็มีการที่เรามองในแงด้ดีทีกว่ามองในแง่เสียเช่นไม่มองคนเนี่ยอย่ามองว่าเสียไปหมดถ้ามองเสียหมดมันก็กลุ้มใจแต่เรามองว่าที่ทำอยู่นี่มันดีหรือไม่มีส่วนดีใช่ได้ ถ่าไปเจอคนที่สุรุยสุร่ายใเติบกินเติบก็แย่เมีคนคนหนึ่งได้รับมรดกสิบสิบล้านมรดกที่นาแถวรลังสิ็เข้ากายแล้วเอามาแบ่งให้ชั้นหลานได้คนละสิบล้านคนนั้นได้มาสิบล้านเดือนเดียวเมียชายล้านใช่เลย ไปตลาดไปซื้อของซื้อแหวนซื้อสายสร้อยซื้อนาฬิกาของแพงๆเท่านั้นแล้วก็นัดเพื่อนไปกินอาหารไปเลี้ยงดูกันเดือ น, นเดียวจ่ายเกินไปดังละดังล้า น, านแม่ของสามีเห็นว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเกินสิบล้านอีกสิบเดือนมันก็หมดนะเธออยู่อย่างนี้ เลยเรียกลูกชายมากัดซิบ ป, ป้าแม่แม่บาทของเธอในี่มือมันห่างเหลือเกินเขาบอกว่าอย่าเป็นคนมือห่างมือห่างอย่างนี้ขอมารวหมดตอกทีน้าก็ไม่รั่วเนี่ยเขาไปนคนมือห่างอย่ายเติบอินเติบพูดกันเขาไม่รู้เรื่องอย่ากันเสถเธอลูกชายก็นีรักแม่ไม่ไม่รักเมียรักแม่ ก็เลยยาให้เขาไปกอดกาจัดเจรอะเข้าไก่กอดดีกว่าให้ใ้ทั้งหมดนี่เป็นตัวอย่างว่าเจอคนอย่างนั้นข้าวมันก็แ ย, ย่แต่ว่าคนที่ประหยัดอดออมใจน้อยกินน้อยซื้ออะไรก็ประหยัดมันดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วไม่ต้องไปทุกข์เพราะเขาเรียบร้อยแล้ว ก็สบายใจได้กว่าสบายใจแล้วก็ค่อยผู้ค่อยจา่าต้องวามเข้าใจกันในเรื่องเรื่องนี้อย่าปุ่น mm hmm. เพราะไม่ได้ถึงกับจีบหมายไหวปวกอะไรจ่ายเกินพอดีพอดีก็ไม่ได้รอดตัวตัวเราเองก็อย่าจ่ายมากอย่างนั้นอย่าไปเที่ยวไปสนุกไปเล่นใ้ที่ต่างๆเดี๋ยวี่มีปัญหาทั่วไป ปัญหานี่สินชาวนาเป็นนี่แต่ชาวนาเป็นนี่เขาเพราะไปกู้เงินเข้ามาทำตุนหลวงพ่อนี่เป็นลูกชาวนาคนพ่อคนแม่คุณลุงคนป้าคนณน้าคนณาทำหน้าทั้งนั้นแต่ไม่เห็นเขาบ่นกันเรื่องนี่สิ่งเพราะว่าเขาไม่เยืยกเงินใครมาใชาย การตำนาสมัยนั้นไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช้ควายสองตัวเอาไปไถนาเดินมันก็ยังดีไถนาพลกเดินกันมาแล้วก็ไถกลบพราดมาท้าวมากระาดได้เสมอตำนาไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรข้าวมันก็งามคอใหญ่ๆออกรวงยืดแยะไม่ต้องไปเยื่เมินใคร เกี่ยวข้าวมาช่วยกันเกี่ยวเก็บทีละรวงทลรวงเขาเรียก ว, ว่าแกะเก็บไม่ได้ตัดมันอุ้งปากกลางภากกลางตัดทีละกอให้ดอเก็ดทีละรวงเก่ดอกแต่ว่ามีคนช่วยออกปากคนมาช่วยกันเก็บข้าวต่อเลี้ยงอาหารก็เบื่อเรื่องเงินอย่าไปเกี่ยวเขาไปเอ า, เา ก, กินอาหารเบื่อแกงงกายกับพวกเกียว น้ำกะัะทิข้าวไป ก, กินกันในทุ่งนานั่นแหละกินกันบนหัวนากันนากินกันสนกสนานใมมีของเมาเลี่ยงแแต่น้ำธรรมดาก็ไม่ต้องเป็นนี่เป็นสินใครได้ข้าวมันก็เก็บไว้ในยุคเต็มนวดไปขายเป็นวันวันสามสี่วันนวดทีหนึ่ง เอาไปกายได้กันเอาไปเสื้อกองที่เราทําไม่ได้ซื้อกันอยกันอย่างนั้นก็ไม่ไม่เดือดร้อนไม่ได้เห็นใครเข้าบ่นว่าเป็นนี่เป็นสินรุงรังแล้วสมัยนั้นก็ไม่มีนายทุนให้กู้เงินชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่รู้จักนายทุนอู้คู่ให้กู้เขาใช้จ่ายประหยัดตอดอมช่วยตัวเองพึ่งตัวเอง ก็เอาตัวรอดมาได้เรียกลูกให้เติบโตได้ไม่เดือรอดอะไรแต่เดี๋ยวนี้ชาวนาเดื อ, รอดร้อนเพราอชาวนาภาคกลางเนี่ยผิดกับชาวนาภาคใต้ชาวนาภาคใต้เขาเวนาเป็นของตัวไม่มากคนละลายสองลายห้าลายสิบไายเขาก็ทำนาลนะภาคกลางนี่ไม่เวนาเป็นของตัว ลวงพ่อไปเทศแถวจังหวัดอยุธยาอําเภอปากัยอําเภอราชครามอะไรถามว่าโยมตำนานนาของใครนาของคนที่ในในเมืองเจ้าของนาอยู่ในเมืองตั้งนั้นให้เขาเช้าตำนานต็อคิดค่าเจ้ากันไปบาทีก็ เ, เอาข้าวไปเอาเงินเอาข้าว เอาเวลาเก็บใหม่ๆเก็บแล้วต้องนวดออกมาใหา้ที่เชียงใหม่คนที่อยู่บริเวณเขาเรียกวัดเกตเป็นปเจ้าของนาท่านเจ้าของนานี่ไม่ทำอะไรเป็นเจ้าของเท่านี้แล้วเขาก็ทำนาพอถึงฤดูเกี่ยวข้าวเวียนมาเป็นแถวเอาข้าวมาสม่งเจ้าของนานทำยุ่งใหญ่เก็บข้าว เขาก็เอามาส่งให้แล้วก็เป็นหนี้เจ้านาเป็นหนี้ไ่รู้จักจบไปรู้จักสิทธยังเดินกระ บ, บวน่าให้รัฐบาลช่วยเลือกหนี้ชาวนาหรือให้ออกกฎหมายเลือกหนี้ออกมันไม่ยุติธรรมนีกไปเลือกหนี้ชาวนาแต่เจ้าของมือนายตุนมันก็ไม่ได้เงินเขาบ่นกันดิไม่ได้ลําบากเดินรอนมีมากอย่างนี้ เพราะไม่มีนาเป็นของตัวแต่คนปักชายนั้นเขามีนาของเขาสวนของเขาเขาไม่ได้กู้กันไกลมาลงทุนเขาไม่ได้ไช่ปุ๋ยแต่จะไช่ก็ไปเที่ยวตามถ้าตามถ้ามันปูเขาไขาขาว้ข้างข่าวข้าข้าวเป็นูงอยู่ในถ้ามันก็ถ่ายโมลออกมาไปโกยโมนข้างข่าวมาผสม แล้วก็ไอกมาใส่นาเอากขอนจะดำนาเขาเอาต้นกลามาจุ่มนินนั่นจุ่มแต่ลนั้นไม่ต้องใส่มากแล้วไปดำข้าวขอาวข้าไม่ต้องซื้อไปหาเอาเองไปขุดเอาเองในผููเขาไม่ต้องซื้อปุ๋ยก็ทําอย่างก็ไม่ต้องเป็นที่เป็นนินนาเป็นกองตัวก็เป็นกองตัวยาวนาภาคกลางเนี่ น, นามีสิบไร่ต่อไปก็ออกไปเยืะเหมือนก็มาทาจํำนองจำำํานําพอสุดก็ลุดไปกลายเป็นของคนในตลาดคนในกลางเมืองคนในกลางเมือง น, นั้นมีนาเยอะๆตั้งเหมือนไดไ้นาตั้งเหมือนได้เพราะว่ารับจําลองจํานําแล้วมันก็กาดชาวนาก็ตกอยู่ในสภาพลําบาก สมัยก่อนก็พูดไม่ออกแต่แล้วได้ประชาธิปไตยให้สิทธิในการทำอะไรทุกอย่างเสรีภาพก็เลยเดินกระ บ, บวนปิตนดขอให้ช่วยเาวนาแต่รัฐบาลไม่ช่วยขอว่ารัฐบาลช่วยแต่คนรับรวยไม่ได้ช่วยคนจนไปอย่างนั้ น, นก็ยุง่งลูกมันยุง่งเพรเรื่องอย่างนี้เพราะต่างคนต่างไม่คิดช่วยตัวเอง ไม่ประหยัดไม่อดออมทำให้เกิดปัญหาข้าราชการที่เป็นครูในปนัญหามากครูเพราะครูมีนี่าเป็นนี้ทำไมครูจึงเป็นหนี้มากเพราะฟูมมเฟือยสรุยสรย้ยชอบเดิมเหล้าชอบเล่นการพ น, นันชอบทำอะไรที่มันจะเป็น เรื่องปลูกพัดตัวเองให้ลำบากเพียมากแม้มีสหกรณ์ครูก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าไปสร้างนี่สร้างศิลว่าเยอะแล้วครูถ้าเป็นนี่เป็นศิลโรงเรียนจะสอนเด็กอย่างไรจะเอาจิตใจไหนมาสอนเด็กมีความคิดฟุ้งซ่านคิดถึงววาจะต้องไปหายดอกเบี้ยเขาเขาจะริบ ทรัพสมบัติจะฟ้องจะร้องจะเสียชื่อเสียอิิมากเวลาจะคิดสอนเด็กมันก็ไม่มีเด็กเราก็ได้ความรู้ไม่สมบูรณ์แต่ไม่เกิดปัญหาขึ้นในโมกูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้มีปัญหาใหญ่ครูเดือบล่ามากเล่นการพนันมากอาจชายสรุร้รายเลยก็เป็นนี่เป็นสินจุงรังครับ เราจะปลดเปลื้องตัวเองต้องปลดสิ่งที่มันไม่ดีในตัวต้องมองดูตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเรานี่บกเพราะ อ, อะไรเราทำอะไรผิดพลาดจุกก้าวลักพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นช่วยตัวเองได้ทุกคนเหมือนกัน ถ้าช่วยตัวเองแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่ลำบากเพราะเราประหยัดอดอมกรณีคนที่ประหยัดอันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปกงักงวลกังวลกับคนที่ภูมเฟยคนที่ภูมเฟยนั้นห้ามอยากแต่คนประหยัดไม่ต้องห้ามอะไรเพราะเขาประหยัดอยู่แล้วก็วดีอยู่แล้วสบายใจเป็นอย่างนี้ เพราะฉนันต้องคิดแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองให้เจริญขึ้นโดยลำดับาวันนี้ก็ไม่เป็นไร้นไม่ตกอย่างนั่งที่ลานภายได้พูดมาก็สมบวรแก่เวลาขอุดติไว้แต่เพียงเท่านี้ขออวยพรญาติโยมตั้งหลายมีจิตใจรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งต่างหลายตามที่เป็นจริง แล้วก็อย่าไปยึดติดในสิ่งนั้นนั้นในเป็นทุกข์จงตัวกันทุกถาตทุกคนณ์เออเอาว<ะ>ตอนนี้ไปก็จะนั่งสงบใจเป็นเวลาห้านาทีสัพเพสัตต า, ตาอะเวร า, าอภพยาปัช า, าอะนคฆา